เชอรี่ว่าไงส่งกันบ้านแล้วยวันนี้ต้องตรวจการบ้านพวกเก่าๆหน่อยเ อ, อ่อให้รู้ทันนะอย่าดึงนะถ้ารู้ว่าไปแล้วไปดึงเดี๋ยวแน่นนะตรงนี้รู้จักใช่ไหมราเป็นจ้างใจดึงแล้วแน่นก็ดึงนี่นมันทำด้วยโลภะนะอ้าวคุณปลา เ, งง เ, เหนน็นายเรียนมันกล้าที่จะสืตามอรื่องดีกลัวดเออเออกล้าๆหน่อยเออดีแล้วนะมันค่อยค่อยหลุดออกมาจากโลกที่เราไปสร้างขึ้นม า, ามันอยู่กับโลกความจริงข้างนอกนี้คุณลัคุณไกลคุณไกลล้วนะี่ จิตตอนนี้เป็นไงจิตตอนนี้รู้สึกตัวเต็มทีนะ่ไหมได้แล้วนะโ อ, โอ้โนดูแลเช็ดเชท้ <c oughs> นนาว่าไง มันเป็นธรรมชาติขึ้นแต่รู้สึกไหมจิตมันฟุง้งจิตมันไม่ตั้งมั่นนะแต่ว่าฝึกไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ส่วนใหญ่ของเราจะเป็นบังคับจนแข็งแข็งตอนนี้ดูออกไหมพอเริ่ม บ, งบังคับนิดเดียวก็ก็แน่นขึ้นมาอ่นอันนะนั่นคือความสุดโตกในข้างบังคับนะอีกอันหนึ่งคือสุดโตกข้างหลงอย่างเราดูทีวีดูอะไรแล้วใจเราจะหลงไปหลงไปนานความสุดโตกมีสองช่อง ให้รู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ชีวิตแล้วเพลินกับโลกนะอันนี้แค่ทดลองดูว่าถ้าเราไม่ควบคุมไว้แล้วมันไม่อึดอัดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองนะอย่าไปโลกกับโลกอยู่กับโลกได้ กันเพราะว่าแต่เราครุกอยู่กับโลกนี่ยจิตมันเป็นอกุศลมันต้องมีวิบากนะจิตมันก็เศร้าหมองนี่คอยรู้ไปเรื่อยในสภาวะที่ลงไปนะเป็นกิเลสจิตใจไปทํากรรมไปกรุงแต่งจิตใจก็มีวิบากเป็นทุกขนะ์บังคับเอาไว้อยากปฏิบัตินะกิเลสบังคับเอาไว้เนี่ยเป็นการกระทํากรรม อึดอัดที่ไม่เป็นวิบากเป็นทุกข์อีกนะแต่หน้าที่ของเราก็คือคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกเรื่อยๆสังเกตย้อนมาดูเรื่อยๆนะอ้าพี่แม่มว่าไงวันนี้ตรวจกันบ้านคนเก่าๆอยู่อดีเลยใช่ใช่ใชนะ่รู้ถูกหรอรู้ถูกแล้วใช้ได้นะ ก็รู้ว่ามันกแต่งน้อยลงน้อยลงก็คือมันไม่ยว่าได้ลงก็ีแเป็นความรสกโร้าใช่ใช่ใรกัี้ก็ยดความเพียร่ก็ดูเยๆนะดีแล้วล่ะ มันเป็อะไรที่วิวิทยามาใช่ใช่แลนี้ก็กวคแค่แคบจริงๆแล้วมันจะแคบจนกระทั่งเหลือแค่เฉพาะหน้าเท่านั้<ช>นะอยู่กับขณะปัจจุบันไปแต่ว่าไม่ไม่ใช่เรื่องว่าไม่วางแผนอนาคตนาคนละเรื่องกันแต่ว่าปกติเวลาเราอยู่เฉยๆไม่ได้มีเรื่องจะต้องคิดเลยเราก็ยังชอบหนี้ไปเที่ยวนะนี่เราคอยรู้สึกอยู่ลงปัจจุบัน มันจะมีชีวิตอยู่ขณะต่อหน้านะี่ยะพุทธเจ้าสอนบอกว่าไม่ตามล่วงไปถึงอดีต ท, ที่ล่วงไปแล้วนะไม่กังวลไปถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันผู้ที่ทําอยู่อย่างนี้ได้เนะี่ยมีชีวิตอยู่คืนเดียวก็ยังน่าชมเพราะชีวิตเรายังค่อยๆหลุดออกจากความปรุงแต่งเดิมเราคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่ยากๆที่ลึกลับอยู่ไกลๆใจใจเราจะค่อยคิดนีตร เราก็จะต้องพยายามเที่ยวไปหามการพยายามเที่ยวไปหามันปนะิดกั้นเราไ้จากธรรมะธรรมะจริงๆก็คือรูปประธรรมคือกายกับนามธรรมคือจิตใจเรานี่เราคอยเฝ้ารู้ไปเรื่อยความปรุงแต่งที่จะหลงไปอดีตไปนะานค่อยๆขาดไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็แจ่มแจ้งอยู่กับปัจจุบันใจที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีความสุขทันทีเลย กลาไปเฝ้ารู้นานไปปัญญามันเกิดปัญญาคือตัวเข้าใจมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นจิตใจของเราเดียเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะ ใ, นใจจะค่อยๆสึบซับความจริงสึบซับความจริงถึงขั้นหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพอย่างฉับลันการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนี่เป็นการสะสม เชิงปริมาณถึงจุดที่คุณภาพเปลี่ยนมันพลิกฉับพลักต้องไม่สม่าเสมอนะถ้าเหมือนกันทุกวันแสดงว่าเพ่งเอาไว้ยังไม่รู้หรอกนะรู้รู้จริงๆมันยังไม่เกิดขึ้นมา ใจเรายัางไหลเวียนอยู่ในความคิดเดี๋ยวต้องค่อยๆทําความรู้จักว่าจิตที่หลงไปเป็นยังไงถ้าเรารู้จักลักษณะของจิตที่หลงไปนะเราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาควาจริงถ้ารู้จักปับ๊บจะตื่นฉับพลันเลยละ่ะรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยคือขัดสติอย่างรุนแรงนะเวลาคิดสังเกตไหมเวลาคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหม แต่เราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเราเองตรงนี้เข้าใจยากแล้วนะเคยเห็นคนอื่นเดินมาเราไปดูเขาไหมเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาขณะที่เราดูเขาเรารู้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เรารู้หมดเล ย, ย, เเลยขณะนั้นเราลืมตัวเราเองขณะที่ฟังอัตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังสลับแกบคิดฟังสลับแกบคิดดูออกไหม สังเกตดูนะอะไรเยอะกว่ากันเนี่ยมีไปชิตอีกแล้วเห็นไหมรู้อยู่ตรงนี้เห็นไหมพอจะดูออกไหมมันเหมือนเราตื่นหลุดออกมาจากโลกของความฝันเลยนะตอนเนี้ฝันอีกแล้วทราบไหมแอบไปคิดอีกแล้วนะงั้นจิตฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดรู้ทันพฤติกรรมของจิตเอาไว้นะรู้ไปเนืองเนือง ถึงจุดหนึ่งจิตมันจะตื่นพลงขึ้นมาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจิตเราจะหลุดออกจากความคิดเมื่อจิตหลุดออกมาจากความคิดเนี่ยเราจะสามารถรู้รกายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดคิดเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสักยทิทิถ้าโสดาบันละสักยติฐิสักยติทิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรารูปนามกันห้าเป็นตัวเราชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นความเห็นผิด ถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดนะเราจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราแนะ้วนะเห็นไปเรือเ่อยจนใจมันยอมรับความจริงนะยอมรับความจริงอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นนะหนีหนีแวบหนึ่งทราบไหมใ่มันมันเผลอไหมนะคอยรู้สึกเรื่อยๆนะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไห ม, อมคอยรู้สึกไปนะ เดี๋ยวครลงเป้าขอตรวจการบ้านคนเก่าๆนี่นะพวกนี้ล้าเลยพวกนี้มานานแล้วมันจะสอนคนใหม่น่ะทิ้งคนเก่าไปเดี๋ยวลูกฝิดเก่าจะบ่นอากรุ้งเป็นไงสบายเกินไปไหม เออ น, นะรู้สึกนะ <Okay. S 1> คือใจต้องต้องตั้ ง, งมั่นไปนิดนิดหนึ่งนิดเดียวน ะ, น, ะนิดหนึ่งนะในีใจมันอ่อนไป <t> มันอ่อนตัมกิเลสเยอะไปดูออกไหมเหมัอ น, นคล้ายๆปล่อยปล่อยแล้วเฉยแฉะะแล้วมีความสุขมีความสุขมีความสบายแล้วไม่ขี้เกียจ น, นั่นแหละนีมันจบนี่เพะมันมีความติดมัเนเจนอือ เออนะเี้ยเราจะไปติดความสุขอันนี้นะใครรู้ทีรู้สึกไหมว่ามันคาคาอยู่อย่างนี้ได้เป็นวันๆเลยนะมันติดนะงันใจใจเราต้องตั้งมั่นกว่นี้นิดหนึ่งนะใจเด็ดแต่ว่าอย่าตั้งเยอะไปก็ไม่ได้นะสุดตรงไปอีกข้างหนึ่งอาจารย์น่าสงสัว่าคือคือมันเป็นความรู้สึกเองนะคะที่เหมือนกับคนเห็นอะไรเราจะมองแบบว่านี่คือคือธรรมชาติเป็นธรรมะที่มันมันเป็นเร่อ ใช่ใช่มองไปงั้นเอาคุณสุนันย์ยกเว้นให้สุนันย์นิวเคลียดเช็ดทานดีแล้วนะคอยรู้สึกเลยด้วยรู้สึกไหมอย่างตอนนี้จิตไม่ได้ไหลตามโลกเหมือนเะืีอกี้นี้จิตตั้งมั่นมากกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งดูออกไหม นะเอเนี้ยขนาดเนี้ยคอยรู้สึกไปนะอ่อนเกินไปนะใจจะไหลไหลไหลไปแต่พอาบาังคับไว้ก็จะสุดโต่งมาข้างบังคับใช้ไม่ได้อีกนะคุณชาติพรนาจะส่สสงกันบ้านไหมเหลือสองสามคนโอ้ดีมันต้องอย่างนั้นสินะถ้าดีตลอดแบบกุ้งเนี้ยแหมมดีตลอดแล้วมีความสุขนะไม่ได้นะ มันต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดีละจันจุนเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วจันดูไปอ่านละอ่านอ อ, อ่านใช้ได้ละนะโบว่าไงคนสุดท้ายละอ๋อเหลือคุณใสอีกคนโบเป็นไงเังไม่เล่นส่งกันบ้านทางใจขี้เกียจพูด <c oughs> เอารู้สึกไปเรื่อยนะคนสคกักว่าไงคนสคักฟื้นหรื อ, อยังฟื้นหรื อ, อยังไปเล่นกันเมืองจิตตกไปหน่อยตอนนี้หายหายแล้วมั้งนะเอาคนที่มาใหม่ๆนะใครเคยฝึกมาแบบไหนบ้างฝึกมายังไง โดนสันพาก่อนเรียกนี่ทุกวันนี้ก็พยายามฝึกแล้วฟังดีพะดีนึกสามคนนี้ล่ะฝึกมาจากไหนกันไม่เคยเลยเหรอ จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหลงลนะใจเรามันน้อมไปทางทางนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นหนักนะเดี๋ยวเพื่อนว่าเพียนนี่ล่ะเคยฝึกไห ม, ไมโอ้มีแต่คนไม่เคยฝึกแล้วข้างหลังล่ะ <c oughs> คุณเสื้อเหลืองอ่ะมาจากไหนไเจอมาจากมากับใครล่ะเนี่ ย, ยแล้วแล้วยมล่ะฝึกมายัางไงโอ้วันนี้มีแต่คนไม่เคยฝึก คนไม่เคยเรียนน่ะจะเรียนง่ายแต่พอเรียนได้แล้วจะขี้เกียจปฏิบัติคนไหนขยันปฏิบัติแต่วิ่งไปฝึกมานานแล้วล่ะนี่คนที่ไม่เคยฝึกเลยไม่เคยเรียนเลยนี่ยจะเรียนได้ง่ายเพราะว่าทําผิดอย่างเดียวพวกเข้าวัดมาแล้วฝึกมาแล้วไม่จะทําผิดสองอย่างผิดอย่างเดียวก็คือเรารู้สึกตัวไม่เป็นหรอก ใจเราจะไหลไปทั้งวันใจเราลงไปทั้งวันคนในโลกนี้มีแต่คนหลงในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเราอาจจะรู้สึกว่าเราเองรู้สึกตัวนะเรามีสติถ้าเราไม่มีสติเราคงเรียนหนังสือไม่ได้ขับรถไม่ได้ทำงานไม่ได้เดินก็ตกถนนอไอย่างนี้นสติอย่างโลกโลกไม่ใช่ตัวสัมมาสติ แท้จริงในโลกเนี้ยคนที่จะตื่นขึ้นมาทั้งกายทั้งใจนี่นะหายากที่สุดเลยส่วนใหญ่จะตื่นแต่ตัวแต่ใจเนี่ยจะคิดคิดฝันฝันทั้งวันไม่ไม่สามารถจะออกมาอยู่กับโลกของความจริงได้เลยจะอยู่แต่ในโลกของความคิดหน้าที่ของเราเบื้องต้นเลยทํายังไงเราจะตื่นขึ้นมาตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจบางคนหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะบอกหลวงพ่อใส่ร้ายนะ ใหม่ๆคนที่มาฝึกใหม่ๆ ห, ห, หลายคนจะบอกว่าไม่จริงหรอกนะดิฉันรู้สึกตัวทั้งวันเลย <นะ S 1> แท้จริงแล้วเราลืมตัวเราเองบ่อยที่สุดเราสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเองนะนะเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราสนใจตัวเองน้อยที่สุดเลยอย่างเวลาเรากระทบอารมณ์เราจะสนใจอารมณ์ข้างนอกนะนะเราจะลืมตัวเราเองเสมอเสมอ อย่าเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาขณะที่เราไปดูคนอื่นเนี่ยเรารู้นะว่าใครมาผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะคนแก่อะไรนี่เรารู้หมดเลยแต่ขณะที่เรารู้คนอื่นนะเรากลืมตัวเราเองนะลืมกายลืมใจของเราเองหลักของการปฏิบัติธรรมหลักของการทํำวิปัสสนาเนี่ยต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจตัวเองเนืองเนืองวิปัสสนาไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตา เคลมงอกแง้งงอกแงดเห็นเทวด า, าเห็นเปรตเลยนะอันนั้ไม่ใช่นี่ัา ส, สนาจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกทุกคืออะไรทุกคือขันห้าคือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือต้องคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงไม่ใช่เข้าไปแก้ไขไม่ใช่หลงลืมไม่รู้แต่ปกติเราจะไม่รู้หรอกเราไม่รู้ อย่างเวลายุงกัดเรารู้สึกไหมเราสนใจยุงมากกว่าสนใจความรู้สึกของเราเองอย่างยุงกัดเราปุ๊บไหมคันนะอยากตียุงเราไม่เห็นว่าอยากตีมันได้ยินนะได้ยินเสียงคนเขาชมดีใจเขาชมเราไม่เห็นว่าดีใจถูกคนเขาว่านะเรากโกรธเราไม่เห็นว่าใจมันโกรธเราเห็นแต่คนที่ว่าเราหรือคนที่ชมเรา ใครมาชมเราเราก็มัวสนใจเขาไปมองเขาใจของเรากำลังปรับรื้มปีใจเราไม่เคยเห็นคนเขาว่าเรานะเราโกรธพอเราโกรธใครเราก็ไปสนใจคนนั้นคอยดูซิมันจะมาอีกไม้ไหนเอาเรื่องกับเขาละในขณะนั้นเราไม่เห็นว่าใจของเราโกรธเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆนะเราก็ละเลยที่จะรู้ใจตัวเองเราได้ยินสิ่งต่างๆเราก็ละเลยที่จะรู้ให้ถึงจิตใจของเราเอง อยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยๆคิดบางครั้งไม่รู้ว่าคิดอะไรเคยเป็นไหมเคยหมคิดไปชั่วโมงเลงไม่รู้เลยคิดเรื่องอะไรเนี่ยหลงสุดขีดเลยหลงทางใจ ใ, ใจมันหลงไปแล้วหลงทางใจมีหลายแบบหลงทางใจอีกอย่างหนึ่งคือหลงคิดขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่เรารู้เรื่องที่เราคิดจริงนะแต่เราลืมรู้ใจของเราเอง ลืมรู้ใจเห็นไใจนีไปคิดมองไม่เห็นว่ามันหนีไปนะใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะสงสัยก็รู้ว่าสงสัยพอใจเราสงสัยเราไปชอบไปคิดหาคาตอบนะเราจะหนีไปคิดอีกล่ะแทนที่เราสงสัยเราจะรู้ว่าสงสัยผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆนะเวลาตาเรามองเห็นใจของเราเป็นยังไงใจเรามีความเปลี่ยนแปลงคอยรู้ทัน เช่นะเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าเพื่อนเดินมานะเราเห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยใจเราเกลียดใจเรากลัวคนทั่วๆไปก็จะไปดูศัตรูหรือไปดูหมาบ้าเราจะเห็นว่าใจของเราเกลียดใจของเรากลัวเนี่ยความต่างมันมีนิดเดียวกับคนทั่วๆไปเวลาเราขับรถอยู่ถูกเขาปาดหน้านะมันโกรธใช่ไหม เวลาโกรธแล้วเราทํำยังไงเราไปดูไอ้คนที่ปากเราไม่ดูว่ากําลังโกรธอยู่เเราระเลยที่จะรู้ให้ถึงจิตถึงใจตัวเองเนี่ยการปติบัติไม่มีอะไรมากหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่ได้สอนอะไรมากมายเลยสอนมาประโยคหนึ่งสั้นๆอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตใจตนเองไว้อ่านจิตใจของตนเองรู้สึกโอ้น่าสนใจแั่ ใจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยพอตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนใจเราไปคิดใจเราก็เปลี่ยนเช่นพอคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขคิดเรื่องนี้แล้วมีความทุกข์บางทีทะเลาะ ก, กับเขาหลายปีแล้วเป็นนึกขึ้นได้นะยังโกรธขึ้นมาอีกนึง่ให้รู้ทันอยู่ที่ใจเรียนรู้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้แหละใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันตามการกระทบ กระทบทางตาใจก็เปลี่ยนกระทบทางหูใจก็เปลี่ยนนี่แต่ส่วนมากพวกเราไม่ค่อยจะรู้ใจตัวเองเราจะเผลอเลอไปเผลอไปดูมัวแต่ดูคนอื่นลืมใจตัวเองเผลอไปฟังมัวแต่ฟังคนอื่นลืมใจตัวเองเผลอไปคิดมัวแต่รู้เรื่องที่คิดแล้วก็ลืมใจตัวเองลืมอ่านความรู้สึกของตัวเองในการปฏิบัติสําหรับพวกเราชาวเมืองนะเป็นชาวเมืองเราไม่ใช่ชาววัด เราไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยดูไปเรื่อยๆแค่นี้ยากไหมยากเพราะว่าเราลืมใจเราจะหนีไปทั้งวันแหละใจเราไม่ค่อยรู้สึกตัวศัตรูที่ทำให้เราไม่สามารถจะรู้ใจตัวเองได้นมีสองตัวตัวที่หนึ่งคือเผลอไปเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสเผลอไปสัมผัสทางกาย เหลอคิดเหลอไปศัตรูหมายเลขสองที่ทําให้เราไม่สามารถรู้จิตใจของเราตรงตามความเป็นจริงคือการนั่งเพ่งน้อยนักปฏิบัติส่วนมากจะไปนั่งเพ่งนอยเพ่งให้ใจนิ่งๆเราคิดว่าดีการเพ่งให้นิ่งไม่ใช่หลักของวิปัสสนาหลักของวิปัสสนาคือให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่บังคับให้นิ่งพวกเราชอบบังคับให้นิ่ง พวกนักปฏิบัติใช่ไหมพี่แม่มชักซึม <c oughs> ธรรมดานะอายุขนาดโยมขนาดตามมานะทานข้าแล้วมันจะซึมธรรมชาติเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ยซึมรู้ว่าซึมไม่เสียใจนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นอาตกหล่นข้างหลังมาสองสามท่านคุณผู้ชายนะี่ยไม่เคยมา เคยฝึกมาจากไหน อ, อะไรนะหรือฝึกมาแนวไหนล่ะอืฝ <c oughs> ึกอาจารย์อะไรอ๋อผู้ศรีแกศรีทนดีแล้วละ่ะท่านหลวงครูคำดีไหม ก, ก่อนเมืองเลยนะมีพระดีดีโอ้ชั้นหนึ่งหลายคนโลกูหลุยโลกูชอบหลวงครูคำดี เราหัดพุทโธะพุทโธไปเรื่อยๆหัดพุทโธพุทโธไปคิดแต่คําว่าพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยรู้ทันใจของตัวเองพุทโธนัเป็นเหยื่อตกปลาใจของเราเป็นปลาเราพุทโธเพื่อจะเอาใจขึ้นมาให้ได้แล้วเราพุทโธพุทโธพุทโธไปใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วทิ้งพุทโธไปรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านไปแล้วจิตหนีไปแล้ว พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจิตใจเราสงบลงมารู้ว่าสงบพุโทโธแล้วชักซึมซึมรู้ว่าซึมซึมนะพุโทโธเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองเมื่อเรารู้ทันใจตัวเองแล้วเราก็ตามรู้แจกของเราต่อไปได้เลยหรือจะทําอีกแนวหนึง่งจะมารู้กายอยันนี้ต้องทําสมาธิให้ลึกๆให้ใจแนบแน่นจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วก็ค่อยออกมาคิดพิจารณ์กายเอา มีสองทางนะจะเลือกทางไหนก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยรู้จักใจลอยไหมคุณเสื้อแดงอะ่ะรู้จักใจลอยไหมเออใจลอยบ่อยไหมวันๆหนึ่งอ่าต่อไปนี้เอาให้บ่อยกว่าเขาอีกออไม่ต้องฝึกไม่ให้ใจลอยนะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยต้องใจเด็ดเด็ดนิดนึงแทนที่จะฝึกว่าทํายังไงจะไม่ใจลอยนะ ฝึกให้มันใจลอยบ่อยๆนะวันหนึ่งเอาให้ได้้อยครั้งลิงดีสงสัยรู้ไหมสงสัยแต่ไม่รู้ว่าสงสัยนี่ก็ใจลอยนะ <c oughs> คือคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาจะใจลอยวันละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวสักครั้งเดียวเลยเะั้นใจลอยวันละหนึ่งครั้ง ของเราเนี่ยนะผู้ปฏิบัติเนะี่ยพอใจเราหลงไปปุ๊บเช่นหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดพอหลงแปบบ๊บเรารู้ทันว่าหลงเราก็จะรู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาแเดี๋ยวมันก็จะใจลอยใหม่เพราะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะจะใจลอยเยอะเลยนะที่แหม่มใจลอยนะเอยแล้วมนจะทำยังไงพทันมนนะนะครรู้ทันมันคือใจเราจะชอบไปปรุงแต่ง การปรุงแต่งของใจมีสามแบบแบบที่หนแบบึ่งปรุงกุศลคือหลงตามกิเลสไปเลยแบบที่2เนี่ยปรุงกุศลคือปรุงการปฏิบัตินั่นแหละสังเกตไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือธรรมดาเนี่ยหลงปรุงแต่งฝ่ายกุศลอีกพวกหนึ่งเห็นว่ายังไปหลงปรุงกุศลยังไม่สบายก็ส่งจิตเนี่ยไปจับกับความว่างๆไหมเนี่ยปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งปรุงแต่งอนเนเชาที่สังขาร มปรุงแต่งก็มีสามอันนะอาปุญญาที่สังขารปรงแต่งฝ่ายบาปนะปุญญาที่สังขารก็ปรุงแต่งฝ่ายกุศลอย่างที่พวกเรานักปฏิบัติชอบทำพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเริ่มทำอะไรบางอย่างนะทั้งหมดนี้มาจากอวิชชานะมารากเง่าอันเดียวกันหมดเลยคือเราไม่รู้ความจริงของทุกขทุกก็คือกายกับใจเราคิดว่ากายกับใจเราเป็นตัวดีเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวทุก แต่เนี่ยเราไม่เห็นตัวกายกับใจเป็นตัวทุกยังยังมีอวิชชาพอะเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวทุกมันเป็นตัวดีเราก็เลยเกิดอยากอย่างน้นอยากอย่างนี้คนทั่วๆไปเขาอยากได้อารมณ์ดีๆเขาก็จะเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ไปทางถวาวรทั้งหกเลยพวกนี้จะหลงปุงแต่งฝ่ายอกุศลอีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ารักษาใจให้ดีไว้ได้แล้วมันจะดีพวกนี้จะปลุงแต่งฝ่ายกุศล ลึกๆ ล, ลงไปก็คือใจนี้เป็นตัวเรา น, นั่นเองเป็นของเราเราอยากให้มันดีอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันถาวรที่แม่มดูออกไหมตรงเนี้ยดีที่เห็นดีที่เห็นนะมีทุกคนแหละแต่ไม่เคยเห็นกันในการที่เรามีสุติมีปัญญามาเห็นเนี่ยดีแล้วนะไม่ต้องแก้ไขคอยรู้เรื่อยๆช่วงนี้พี่แม่มดีขึ้นเยอะแนละ้ว ให้รู้การปรุงแต่งไปนะอย่าไปหลีกเลี่ยงใช่แต่ไอ้ยอ่ข้างนอกมันน้อยออแต่มันไอ้เอันที่ก็คงเป็นอันี่เปตัวเองี่ยงนกใช่ใชนห <ะ S 1> น, <ะ S 2> น้าที่เราค่อยเรียนรู้นะนค่อยทำความเข้าใจก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกเองเราไม่ต้องไปช่วยแก้แท้จริงแล้วการปฏิบัติรำนะแสนจะธรรมดาเลย นี่เราไปวาดภาพการปฏิบัติไว้เหนือธรรมดาก็เลยทำอะไรแปลกๆขึ้นมาเสร็จแล้วต้องมานั่งแกโยมประาพาสรู้สึกไว้นะรู้สึกไปเรื่อยพอใช้ได้รู้นะสึกไหมใจมันเหมือนมันตื่นตนื่นขึ้นมารู้สึกไปเอาสี่สาวใจลอยรู้จักไหมทีมสี่สาวเนี้ยนั่นแหละทั้งเสื้อเขียวเสื้อแดงนะ ใจหนีไปหมดแล้วนั่นเป็นอาการของสมถะทั้งหมดเลยนะเพราะน้นที่คุณทำอยู่นี่ไม่ใช่การรู้มันยังเพ่งอยู่สมาถึงบอกว่าทั้งสี่ท่านเลยเนี่ยสี่สาวเรียงกันเนี้ยจิตจริงๆมันยังไม่ได้ตื่นขึ้นมามันยังไม่ได้ตื่นแท้ๆขึ้นมาใจยังไหลอ ย, อยู่ในความคิด แล้วพเราไปลงมือทำอะไรขึ้นมาประคองความรู้สึกรู้สึกไหมยังประคองอยู่คอยคอยระวังคอยรักษาดูออกเลยตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ลืมกายลืมใจของตัวเองละขณะนี้เอาขณะนี้เลยนะเห็นไหมตอนที่จะคุยกับสมารู้สึกไหม เรากายเรามีก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเราไม่รู้สึกใจของเรามีก็เหมือนไม่มีเราลืมมันไปหน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะคยวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองมีไปคิดแล้วทราบไหมเผลอไปคิดแล้วนะเผลอไปคิดเราก็จะลืมกายลืมใจของเราเองเผลอไปดูเราก็ลืมกายลืมใจเผลอไปฟังก็ง separate, ลืมกายลืมใจ เพรนเราจะลืมกายลืมใจของเราทั้งวันนี้พอเราคิดถึงการปฏิบัติก็กลายเป็นนั่งจ้องอีกแล้วสุดโตมาข้างบังคับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะบทแรกเลยที่ท่านสอนชื่อธรรมาจักรกับวัฒนสูตรเคยอ่านไหมธรรมจักรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นสอนบอกว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทําอย่างไรไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านสอนสิ่งที่ผิดก่อนบอกว่ามีทางอยู่สองทางที่บรรพชิดหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรเสด ทางสองทางคือความสุดโตรงสองด้านด้านที่1คือการหลงตามกิเลสไปมันอยากดูวิ่งไปดูลืมกายลืมใจตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมกายลืมใจนะอยากคิดอยากรู้เรื่องนี้ไปคิดลืมกายลืมใจตัวเองนีสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสนะสุดโตรงอันที่สองก็คือการบังคับกายบังคับใจ ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มบังคับกายบังคับใจให้มันผิดธรรมดาอย่าบังคับให้มันนิ่งๆนึกออกไหมเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราจะทำเป็นลึมๆกวางฟอร์มนะตัวเราก็ต้องทำให้ดูเรียบร้อยใจเราก็ต้องให้ซึมๆเนี่ยพอซึมได้ที่อย่างนี้เราคิดว่านี่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยคือความสุดต่งในข้างบังคับ นี่ถ้าใจของเรารู้ทันความผิดพลาดสองทางเนี้ใจจะเข้าสู่ทางสายกลางได้คือทันทีที่รู้ว่าเผลอไปทางสวางทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจทันทีที่รู้ว่าเผลอนะเราจะตื่นพิ้นฉับลันเลยแต่ตรงที่บังคับอยู่เนี่ยถึงรู้ว่าบังคับนะก็ยังไม่ตื่นฉับลันนะเพราะการที่คอยควบคุมบังคับตัวเองเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดีพัสติเกิดมาเนี่ยมันยังไม่หายทันทีหรอก แต่ความปุงแฝงฝ่ายอกุศลนี่ทันทีที่สติเกิดนัมันดับทันทีอย่างเผลอๆเนี่ยพอเรารู้ว่าเผลอมันก็เล gels, ิกเผลอเลยเนี่ยสองทางเรียนรู้ไว้นะเรียนตรงที่ผิดไปถ้าเมื่อไหร่เดินไม่ผิดมันนั้นเดินถูกเองเลยไม่ต้องคิดว่าทํำยังไงจะทําให้ถูกถ้าคิดว่าทํำยังไงจะทําให้ถูกเราจะพยายามทําไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้หาทางทําไปเรื่อยๆทายังไงก็ไม่ถูกหรอก เพราะว่าตัณหาอยู่เบื้องหลังคืออยากปฏิบัติพอมีตัณหาแล้วก็สร้างพบก็คือสร้างกา ร, กรทำงานทางใจพบคือการทำงานทางใจนะพี่แม่มดูออกั้ยเรื่องพบเนี่ยมันมีการทำงานทางใจอยู่ทั้งวันนะคำว่านิพพานเนี่ยคือการที่จิตไม่มีราคะไม่มีตัณหาเรก่มีราคะไม่มีพบคือไม่มีการปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร การปรับใดที่ใจเรายังมีความอยากใจเราก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็จะเข้าไปถึงนิพพานไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันใจมีความอยากเล็กๆน้อยๆกระทั่งอยากปฏิบัติเราก็เห็นนะเราจะไม่เกิดการทํางานทางใจขึ้นมาความปรุงแต่งทางใจจะขาดไปใจก็จะค่อยๆโล่งว่างค่อยๆมันค่อยๆแหวกออกแหวกครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกค่อยๆแหวกป่าไปเรื่อยะแหวกไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันเข้าถึงที่ลงแจง หลวงปู่ธาสอนมนแหวกไปเรยเคยรู้จักไหมหลวงปูา่เปาเออนะน่ารักหลวงปูา่าหลวงปู่ธาสอนนิดเดียวนะมีสติรักษาใจรักษา จ, จิตไว้มีสติคอยดูใจของเราไว้สอนอยู่เท่านี้เองล่าสุดได้ยินว่าท่านเข้าโรงพยาบาลนะเหลือนะครูบาอจารย์ดีๆก็ยังพอเหลือนะแต่ว่างงอม เหลือแล้วทราบไหมใจลอยไปอา้าวเสื้อแดงเสื้อเขียวใจลอยไปทั้งคู่เลยรู้ไหมยากไหมไม่ยากอะไรจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้สอนนะบอกว่าอย่าหนีไปนะหลวงพ่อไม่ได้เคยบอกเลยนะไม่ได้ห้ามจะห น, นีก็ได้แต่ห น, นีแล้ว ร, รู้ให้ไวๆ ไ, ไ, ไม่ใช่หนีตั้งแต่เช้าไปรู้ตันเย็นนะนานไปนหน่อย <c oughs> น่าเกลียด <c oughs> คุณนี่ล่ะรู้เรื่องยังนะค่อยๆสังเกตใจนะเราอยู่ในโลกเราก็ป ฏ, ฏิบัติได้ทั้งวันอ่ะนะอย่างตื่นนอนมาตอนเช้านะวันนี้ไม่ต้องไปทํางานเหมือนใจสบายตื่นมาวันนี้ต้องไปทํางานใจไม่ค่อยสบายอัตมาก่อนรับราชการนรืออยู่ที่องค์การ่ะตื่นมาวันจันทร์นะใจแห้งแรงเลยตื่นมาวันศุกร์นะมันสดชื่น สดชื่อรู้ว่าสดชื่อแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงขับรถไปเจอรถติดเต็มถนนเลยหงุดหงิดหงุดงิงดรู้ว่าหงุงดหงิงวดงงวันนี้วิ่งไปเจอแต่ไฟเขียวรู้สึกแหมสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขให้รู้ใจไปอย่างเงี้ยรู้ไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ดัดแปลงมันนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ได้กุศลก็ได้เหรอกุศลก็ได้เพราะทั้งกุศลทั้ง อ, อกุศลแสดงธรรมะเรื่องเดียวกันแสดงไตรลักเหมือนกัน ไงเชอรี่นนหนีไปไหนรู้สึกเลยเช็ดถาเป็นไงเบื <S <S ่อร่ว่เบื่อไม้ตายของกิเลสมีสองตัวนะเบื่อกับสงสัยดูไว้นะอย่าเสียท่าสองตัวนี้เออเนี่ย เ, เ, เป็นไม้ตายของมัน สตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะจะซัดเอาพวกปัญญาชนไงท้องเ่ยเวลาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูตามรู้ตามดูเนี่ยมันจะเหมือนกระรู้อยูทุกวันปฏิบัตินี่ทํากันทั้งชาติเลยคนไม่ไหวเบือ่อชี้เกียจ ด, ดูอยากไปดูของอื่นหรือพอปฏิบัติไปช่วงหนึ่งสงสัยเอ๊ะที่ทําอยู่นี่มันถูกไหมมันจะใช้ได้จริงไม่ได้จริงสงสัยเลยเลิกทําเลยเลิกจเจริญสติมีสองตัว กิเลสตัวอื่นๆนี่กระจอกมากเลยอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยมันไม่ดีหเห็นไมเห็นราคะเกิดรู้เนี่ยมันไม่ดีพอสู้กันได้พอเบื่อก็สงสัยนี่นะจอดเลย <c oughs> นหน่า <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เออปรุงรู้ว่ <c oughs> เดี๋ยวรู้ไเลือ <c oughs> จูนอะจูนจูนมาชื่ <c oughs> ออเป็นไง เออดีแล้วเออดีดีนะดีที่รู้ชอบมันไหมหรือไม่ชอบออรู้ไม่มีคำว่าแพ้คำว่าชนะเออลงรู้ว่าหลงเราไม่ได้ฝึกเอาแพ้เอาชนะเราฝึกให้รู้ตามความเป็นจริงคือฝึกไปเรื่อยเจนเห็นความจริงว่าใจนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอก บังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์พอรู้อย่างนี้ใจมันจะปล่อยปล่อยวางไงคุณผู้ชายรู้ฝึกอาจารย์สีทนรู้จักใจลอยไหมนะต่อไปนี้พอใจลอยนะรู้ไวไวแต่ไม่ห้ามเราห้ามใจลอยห้ามไม่ได้นะจิตเนี่ยเป็นของที่ห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตา สติก็สั่งให้เกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัสตา <Yeah. S 1> ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม <Yeah. S 1> ก็รู้ทันว่าหนีไปคิด <Yeah. S 1> ให้คอยรู้ทันมันไว้ถ้ารู้ไม่ทันนะัมันจะพาเราปรุงแต่งไปทั้งวันเลยว <Yeah. S 1> ่าปลูกไปตลอดชาติเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้ารู้ทันเนี้ยวันหนึ่งพอจะพ้นออกมาได้พ้นความปรุงแต่งได้ <Yeah. S 1> หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม สังเกตไหมตอนที่เออต้องรู้สึกตัวเองนี้นะมันจะเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาจริงๆครูบาอาจารย์มัสปาชับสอนบอกให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินไหมแต่ก่อนเนี้ยอาสมาเข้าวัดะไปอยู่วัดป่าเนี้ยเข้าวัดไหนครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างเดียวกันฝึกไปให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธคือจิตเรานะ นี่ส่วนมากเราตอนหลังๆเราละทิ้งเราไม่รู้จักจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราชอบไปทําใจให้เคลิ้มๆแล้วก็ฝันไปมีนิมิตนงโน้อย่างนี้เราไปชอบเรื่องพวกนี้กันพวกนี้ทําให้เนิ่นช้าฉะนัน้นต้องมีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใจเราตื่นใจเราเบิกบานขึ้นมาใจเราชอบหนีไปฝันพอจะดูออกเราใช่ไหมใจมันหนีไปคิดหนีไปฝันทั้งวัน่ะ ให้คอยรู้ทันมันหนีวิคิดมันหนีไปฝันรู้ทันมันเลยเนี่ยมันหนีไปอีกแล้วทราบไหมเออต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เสียแรงเป็นลูกศิษย์วัดป่านะ <c oughs> ให้มันมีผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานไม่ใช่มีแต่ผู้เพ่งทางหลงังๆมีแต่ผู้เพ่งผู้เพ่งผู้เคลิ้มเคลิ้มผู้ฝันฝันนะเข้าวัดมาหลายปีแล้วสิ ท่านอาจารย์สีทนองทันรุ่นที่ครูบาอาจารย์สอนนะมีผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยมีจิตผู้รู้ได้ยินบ้างไหมจิตผู้รู้ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราก็มีแต่จิตผู้หลงมีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่เราต้องมีจิตผู้รู้คือรู้สึกตัวขึ้นมาใจของเราจะตื่นใจของเราจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างตอนนี้เป็นจิตผู้คิดและทราบไหมไม่ใช่จิตผู้รู้ จิตผู้รู้ดับไปกลายเป็นจิตผู้คิดผู้สงสัยรู้จักใจลอยไหมคุณอะไรเนี่ยสอนนิยมอะไรเนี่ยรู้จักใจลอยอยังรู้ให้ไหวๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้น ะ, ะเชษดฐาอยู่ที่นี่กันสังเกตไหมใจเรามันไม่ค่อยพอดีใช่ไหมวันแรกๆเราบังคับใช่ไหม เมื่อวานเราจะพยายามคลายการบังคับแล้วก็ออกไปอยู่กับโลกนะมันก็จะหลงหลงออกไปเนะนี่ยตรงกลางเนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้หรอกนี่ปัญหาของเชษาคือพยายามจะทำให้ตรงที่ถูกนะรู้สึกไหมพยายามจะหาทางทำให้ถูกจะพยายามาหอน่รู้สึกสบายเนยังเออนีน่ ใ, น ใ, น ใ, น ใ, นใจมันจะฟุ้งซ่านนะอย่าพยายามทำที่ถูก ให้รู้ตรงที่มันผิดสองอย่างนั้นแนละหลงไปกับบังคับไปให้รู้พอมันผิดแล้วก็รู้ไปที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้ทำทีไรผิดทุกทีแต่ว่าให้รู้ทันมันอย่ตอนนี้จิตเป็นยังไงทราบไหมจิตมันลงไปคิดจิตมันลงไปคิดคุณประพาสไม่สังเกตมัน อย่างนี้ไปสังเกตมันแค่รู้ทันเฉยๆรู้สึกตัวขึ้นมาใจแอบไปปรุงแต่งเมื่อกี้ใจแอบไปหามันทราบไหมแอบไปคิดไปหาไปหาเนี่ยเนี่ยชำเลืองมันไปอีกละนะให้รู้ทันลงไปทีละขณะทีละขณะรู้จนกระทั่งวันหนึ่งมันแจ่มแจ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยมันทํางานของมันได้เองพอดูออกแล้วใช่ไหมมันทํางานของมันได้เองเราบังคับมันไม่ได้ ดูไปอย่างนี้ดูจนมันแจ่มแจ้งขึ้นมาบางคนเขาก็ดูเจ็ดวันมีนะไปมีไปเจอหนึ่งท่านเจ็ดวันเช็ดถาไปอีกแล้วเอออะไรอย่างนี้ไง ห, หนูนาง่วองอยังวันนี้ม่มานั่งแบบนี้ <Okay. S 1> บุ่มบุ่มนั่งนั้นแหละไหนะไงสมพงจิตเป็นยังไงเออยังปกครองอยู่ถูกต้องละใจของเราเป็นกลางกับการปกคองนี้ด้วยอย่าไปเกลียดมันนะเวลาไปรู้สภาวะอะไรนะใจเราต้องรู้อย่างเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางรู้ทันมันรู้ว่าไม่เป็นกลาง ในสุดเราจะรู้สภาวะทุกชนิดเลยด้วยใจที่เป็นกลางแล้วเราก็จับเอาสภาวะของความเป็นกลางขึ้นมาได้ความเป็นกลางใจเราจะส่งตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูที่เป็นกลางอยู่ได้ตลอด<ม>นกไม่แกล้งทำนะนกก ล, นลัวรู้ว่ากลัวกลัวใครกลัวพุทธิติหรือกลัวสมพงศ์ <c oughs> เอากลัวเฉยๆพุทธิติดีแล้ว แ, แต่ยังทำอยู่ดูออกไหมยังประคองไว้ดูออกไหมประคองรู้ว่าประคองนะกุ้งถอยขึ้นมากุ้งรู้สึกนะพอหันมาไล่มาทางนี้นะทางนี้เริ่มเกร็ ง, ลงแล้ ว, ลวนะเอกกพอพลางดีกแล้วล่ะนะอยากกลับไปติดอีกล่ะ รู้สึกไหมคุณเสื้อแดงพอเราไปดูเขานะเราลืมตัวเราเองขณะนั้นนะ่ะรู้สึกไหมเหมือนเราหายไปจากโลกเลยนะหน้าที่ของเราคือคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆคุณผู้หญิงเนะียผมยาวอะรู้สึกไหมใจเราหนีวับแวบแวบไปเรื่อยๆพอจะสังเกตออกไหมคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันมัน อะไรนะรู้ช้านะถูกแล้วหมายถึงว่ามันต้องหลงไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ามันหลงนะไม่ใช่หลงไปรู้ไปนะเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่หลงอยู่นี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้จิตเป็นกุศลกุศลกับกุศลต้องเกิดครลชีเพราะฉะนั้นต้องโกรธไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าโกรธต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงต้องโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภนะตามรู้ไป ตามรู้เล่นเล่นนะเพราะงั้นการปฏิบัติจะแสนง่ายเลยนะแสนง่ายเพราะไม่ต้องทำอะไรจิตใจเรามันเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ว่าเป็นนันไม่ต้องไปดัดแปลงมันคนส่วนมากจะไปบังคับใจให้นิ่งนะนะมิปัสนาไม่ได้ไปบังคับใจให้นิ่งให้ใจมันเป็นยังไงก็ได้แล้วเราก็ค่อยรู้ทีหลังนะแต่ต้องรู้แบบติดติดกันนะไม่ใช่เมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้วี้ไม่ทันนะ มันโกรธแวบไปก่อนพอมันโกรธแล้วก็รู้ว่าอ๋อโกรธไปละอย่างเนี้ยใช้ได้ต้องรู้ชาอยู่แล้วละ่ะคือเราไม่คาดหวังว่าจะต้องรู้ได้เร็วแค่ไหนนะรู้ได้แค่ไหนก็แค่ น, นั้นถ้าอยากรู้ให้เร็วๆเดีเ๋ย ว, ว, ว, วเครียดนั่นเราฝึกไปตามธรรมชาติ เกิดไปธรรมดาที่สุดเลยเช่นเราไปช้อปปิ้งสพราะฉเราเห็นกระเป๋าสวยอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้มันต้องอยากไปก่อนนะค่อยรู้ว่าอยากได้แต่ไม่ใช่ว่ามาถึงก็นั่งจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งไปเดินดูอะไรต่ออะไรใจเฉยๆตลอดนี่ทำผิดแล้วการดูจิตเนี่ยท่านสอนระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะจิตตานุ ป, ปัสนาปัสนาแปลว่าการรู้การเห็นอ น, นุแปว่าตาม ตามรู้ตามเห็นจิตตามรู้ตามเห็นกายหมายถึงให้มันเป็นไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่แม่มทราบไหมมันไปยักหน้าเ <c oughs> นี่ยพอทราบนะพอรู้ว่ามันที่หน้าเราก็ตื่นละแค่นี้เองง่ายจะตายแต่ถ้าเราไปจ้องไว้ไยักหน้าแล้วยังยังไม่ตื่นนะเพราะมันมันไปจ้องเราไว้เพราะนั้นเผลอไปก่อนนะเผลอแล้วรู้ว่าเผลอ โกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภนะดีใจแล้วก็ค่อยรู้ว่าดีใจเสียใจแล้วก็รู้ว่าเสียใจให้มันเกิดไปก่อนการปฏิบัติก็จะราบรื่น ง, ง่ายๆแต่ถ้าเราไปทําเหนือกว่าที่พระพุทธเจา้าบอกก็ทําทไม่ได้หรอกเช่นไปบังคับใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมรู้ฝีอาจารย์สีทน นะคิดรู้ว่าคิดนะไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วจิตหลงหลงคิดนะเห็นไหมมันหนีไปคิดไม่เลิกรู้สึกไหมดูสิพยายามคิดหนักกว่าเก่า <c oughs> เออเนะี่ยรู้สึกไปสบายๆนะตื่นขึ้นมาอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะรู้สึกไหมว่ามีการทำงานทางใจ ให้รู้ทันเกิดการทำงานทางใจนะให้คอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะไม่ห้ามมันนะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราจะหลงไปช่วยมันทำงา น, น, นาใช่ใชนะ่เนี่ยหนีไปอีกแล้วทราบไหมหนีแวบสบังนะเกตไม่ใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาดูออกไหม มันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวให้เราตามรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงก็รู้ไปไม่ห้ามมันไม่แทรกแทรกมันะแต่ถ้าจะทำสมาชาก็กทําเหมือนที่เคยทําน้อมใจให้นิ่งเนี่ยหนีไปคิดล้ทราบไหมหนีแวบไปให้คอยรู้ทันมันะในที่สุดเราจะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ เราเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูเราเห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเราก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตใจของเรามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง น, นะมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็ไหมตอนนี้เป็นจิตผู้คิดผู้นึกรูออกไหม <c oughs> เนี่ยรู้สึกไหมใจตรงนี้โลง่โลงๆรู้สึกไหมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะมันจะเป็นผู้เบิกบานให้มันด้วยนะ แต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วมันจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆคุณอยู่เมืองเลยหรือปะอ๋ะอนึกว่าอยู่เลยเอาคุณผู้หญิงอะ่ะรู้นะรู้สึกไปนะใจมันหนีไปหนีมาพอจะสังเกตเห็นไหมให้รู้เฉยๆมันหนีไปยังไงนะัค่อยรู้เรื่อยๆไม่ห้ามนะถ้าฝึกห้ามจะทำผิดละ ออคอยรู้ไปเรื่อยๆคุณทิฏฐิอย่าไปถลําลงไปหลงละหลงปฏิบัติโอ้มีคนเพิ่งมาอีกนะใครจะเลิกแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> บางคนมาสิบโมงเสร็จแล้วก็ มนบอกหลวงพ่อช่วยสอนอะไรพื้นฐานเลยโอ้โหบลวงพ่อสอนมาชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> ที่แบ ม, มดูออกไหมใจมันจะดีเรื่อยๆไม่ห้ามมันนะถ้าเราทำตัวแค่ว่าเราจะเป็นคนคอยรู้ไม่ห้ามมันนะไม่ไม่เครียดแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะควบคุมเขานะเราจะเครียดเพนะงั้นเราไม่ควบคุมเขเรอกกุ้งแมเ อ, อย่างนั้นกุ้งไงคุณู น, นันมีความสุขไหม ยกเว้นไว้คนหนึ่งเนี่ยนะรู้สึกเลยเนีย่ยดีแล้วละ่ะคุณชาตพรเป็นไยหลบใหญ่เลยเนาะนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียน <c oughs> อาจารย์ไล่เนาะแล้วหลบอา้าวลูกผิอาจารย์สีทนรู้สึกตัวไว้มีไิเที่ยวแ ล, ล้วแล้วรู้สึกแล้ว นายยมลวยเป็นไงม um ีความสุขอะไรมันจะสุขไดยทุกว um ันอ้าวนะอ้าวสบายก็เอาเออนะเอาอย่างนี้ยังไงก็เป็นเทวดาได้แล้วตั้งใจไหมนะตั้งใจรักษาใจไปเรื <c <c ่อยๆตั้งใจไว้ อธิษฐานไปเลยว่าพระสีอานมาตรัสเมื่อไหร่นะขอให้เรารู้ตามเลยนะต้องเริ่มต้นใหม่เออ น, นะคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยนะ <c oughs> ที่ทํามันไม่รู้สึกจริงมันบังคับอยู่ <c oughs> พอบังคับไปมันจะเกิดอาการทางสมถะขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยเผลอไปคิดอีกแล้วทราบไหม พยักหน้าทราบไหมนเนี่ยค่อยๆรู้สึกนะนยังไม่ตื่นเต็มที่ใจมันยังไม่หลุดออกมาจากโลกของความฝันไม่ตื่นต้องค่อยๆเรียนไปต้องทนทนนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมหนีแว บ, บไปะหนีไปรู้ว่าหนีไปค่อยๆสังเกตไปนะไม่ต้องรีบร้อนเรียนธรรมะต้องใจเย็ยนๆเวลาเราเรียนวิชาทางโลกเรียนตั้งหลายปีใช่ไหมเชฐาเชิถาเรียนอะไรมา เออนะั่น้งเรียนทั้งหลายปีหลายวิชาเราเรียนธรรมะยังมาเรียนสามวันนะไม่ได้กินนะต้องใจเย็นๆหลวงปู่เทศเคยสอนเราเรียนธรรมะเราเรียนกันทั้งชีวิตเลยนะทํากันทั้งชาติเลยจริ ง, รงๆก็ทํากันหลายชาติด้วยไม่ใช่ชาติเดียวกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะทํำมาหลายชาติแนละ้วดีแล้วรู้สึกกุ้งสอนมาหรือไงคุณพลาดเนี่ย ไม่ใช่ว่าทำไงเขาถึงทำได้ง่า ย, า อ, า อ, ยอ๋อเขาดีเขาเอางใช่ไ้มกุ้งไม่ได้ช่วยใครยยรู้สึกไปเรื่อยๆ น, นะแต่ระวังจะลงไปบังคับมันอีก <c oughs> คนที่หัดพอรู้สึกตัวเป็นแล้วชอบกลับไปบังคับนะอยากได้เร็ว อยากได้เร็วเลยพยายามใหญ่เลยนะยิ่งอยากยิ่งชา้อาอใครมีอะไรจะถามเชิญนอกอไมนกนกชับมาถามนอกเวลา ร, ร, ร, หหรู้ว่ากำลังสงสัยรู้ลงปัจจุบันนั่นเป็นอนดีตหมดแล้วทิ้งเลยรู้ลงปัจจุบัน การปฏิบัติจนะจับหลักให้แม่หน่อยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะแล้วก็อย่าไปบังคับอย่าใจลอยไปถ้าใจลอยไปเราก็รู้ลงปัจจุบันไม่ได้ถ้าบังคับไว้ก็ไม่ใช่ของจริง <c oughs> สงสัยเนี่ยไม้ตายกิเลสแล้วได้ผลนะได้ผลทุกทีเลย <c oughs> นั่นคิดถึงอดีตแล้วปัจจุบันกําลังสงสัยอยู่ รู้ว่าปัจจุบันสงสัยนะที่จริงจริงกับเท็จเนี่ยมีค่าเท่ากันมันก็แค่สิ่งที่ใจไปรู้เขา้าใจไปรู้เข้าแล้วใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะอย่างเรานั่งภาวนาบนางทีเห็นเทวดาโปรอมานะห้าองค์เจ็ดองค์อะไรสมมตุติเราเกิดสงสัยว่าเทวดาจริงหรือว่าจิตเราสร้างเนี่ยนี่ถูกหลอกละนะ แต่ถ้าเห็นเทวดาแล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจเนี่จะได้ขอหวยอะไรเงี้ยดีใจรู้ว่าดีใจเห็นเทวดาแล้วสงสัยว่ามันตัวจริงหรือตัวปลอมรู้ว่าสงสัยเนี่ยใช้ได้ละเพราะงั้นสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยจะจริงหรือจะปลอมก็มีค่าเท่ากั น, นอวันนี้พอสมควรมัง้งพ อ, อยังเช็ดาเบื่อยังเมื่อวานเอาผ้าทิ้งไว้ ปัญหาของเชิถาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกปัญหาของเชิดถาก็คือมันมีความเร่าร้อนที่จะปฏิบัติมันเกิดความพยายามจะลองอผิดลองถูกเรื่อยๆ เ, เอ๊ะทําอย่างนี้มันจะถูกไหมหรือทําอย่างนี้มันจะถูกหรือทําอย่างนี้จะถูกสัง เ, เกตไหมมีคําว่าทําอยู่เรื่อยๆให้รู้ทันใจที่มันเร่าร้อนอยากปฏิบัติให้ถูกอ่ะรู้ทันลงไปนี้ฟาดเปรีร้ยงลงตรงนี้เลย ตัวนี้เป็นตัวที่หลอกให้เราปรุงแต่งอยู่เราก็จะลองใช่ไหมวันนี้เอ๊ลองทำอย่างนี้ดูเอ๊ะอย่างนี้ไม่ใช่มาลองอย่างนี้ดูก็ไม่ใช่มาลองอย่างนี้ลองไปเรื่อยๆให้รู้ทันใจที่มันเล่าร้อนที่มันอยากทำให้ถูกให้รู้ทันลงตรงนี้เลยความปรุงแต่งอันนี้จะหายไปหมดเลยเราก็จะตื่นเต็มที่ขึ้นมา เดี๋ยวก็ไปคิดอีกว่าทำยังไงมันจะไม่เล่าร้อนนะจับประเด็นได้ไหมที่หลวงพ่อบอกให้เนี้ยคือเราอยากปฏิบัติให้ได้อยากปฏิบัติให้เป็นไหมพยายามที่จะทำให้ได้เราก็เลยทดลองทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำนี้แล้วก็มาศึกษาเปรียบเทียบเมื่อวานเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นอย่างนี้เมื่อวานซื้นเป็นอย่างนี้ศึกษาไปเรื่อย ใ, ใจของเราก็ดิ้นรนทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ทันว่าใจมันอยากปฏิบัติเป็นมันอยากทําให้ถูกใจมันมีความดิ้นรนกระวนกระวายอยากทําให้ได้นะรู้ทันใจตัวนี้ไปใจหมดความอยากหมดการดิ้นรนตรงนี้ธรรมะ ก, ก็อยู่ต่อหน้าต่อตาละคาว่านิพพานคือวิราคะหมดความอยากนิพพานคือวิสังขารหมดความปรุงแต่ง ที่เชษฐาทําหลายวันนี้ก็คือสังขารทั้งหมดเลยสังขารแบบนี้ดีไหมสังขารแบบนี้ดีไหมสังขารอย่างนี้จะดีไหมนะการกระทําทั้งหมดเลยบางทีเรียกว่าพบแพระพุทธเจ้าสอนมาพบเล็กน้อยนะนะก็เหมือนอุจจาระก็ เ, เ, เ, เล็กก็ น, น้อยก็ไม่น่าชื่นใจหรอกนะงั้นเราจะหลงปรุงไปเรื่อยๆ เ, เราจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ต้นตอที่ทําให้เราต้องไปลองผิดลองถูก ต้นต่อก็คือใจของเราเนี่ยมันเล่าร้อนขึ้นมามันอยากปฏิบัติให้เป็นงั้นก็รู้ทวนกระแสเข้ามารู้ที่ต้นต่อที่ใจของเราที่มันไม่เป็นกลางมันอยากได้ธรรมะมอยากปฏิบัติรู้เข้ามาให้ถึงแล้วการปรุงแต่งทางใจก็จะขาดไปความปรุงแต่งอันอื่นๆก็เกิดอย่างเดียวกันนี้แหละพอรู้เรื่องไหม มันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้เข้าใจเป็นอนัตตานะจิตเป็นอนัตต์ห้ามไม่ได้แต่หลวงพ่อบอกไว้ว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงไปสู้ผิดประเด็นเราจะหลงไปลองไปเรื่อยเลยวิธีนี้ถูกหรือผิดวิธีนี้นะเทียบกับวิธีก่อนววิธีนี้จะเป็นยังไงะเราจะหลงอย่างนี้ตลอดไปอยถูกหลอกละเข้าใจไหมตรงนี้ออนโอ้ดีนะมีเพลง